รับพอนเท่ากนันหมนศีล ส, สมทานแล้วศีลเป็นทรัพทรับภายในทรับที่ไม่แก่รับที่ไม่แก่ไม่พร้อมทรับภายในมีเกติย่างศรัทธาทนังความเชื่อในบุญในบาป เชื่อในเหตุในผลในธรรมะที่พุทธเจ้าสอนเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องทานศีลภาวนานี่เป็นบ่อกเกิดแห่งบุญกุศลคุณงามความดีเป็นเหตุให้ได้รับความสุขกายสุขใจทั้งในปัจจุบันและในพบเบื้องหน้า <c oughs> นี่เชื่อลงไปตามความจริง แหงัจธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนนีเรียกว่าเป็นรั์ภายในเป็นรับอันเปิดเสริฐศรัทธาทนังจาคาทนังการบริจาคการให้ทานมีเมตตาเมตตาธรรมเป็นธรรมเครื่องคำจุนโลกี่ถ้ามีในจิตในใจก็เรียกว่ามีรั์คือเมตตา จากาทนังศีรทนังศีลห้าที่สมทานประกาศเพื่อการสังวรระวังโมเ้นจากโทษนี่แหละศีลแยกเป็นกิริยาเป็นอาการทางกายทางวาจาและทางจิตใจเป็นห้าเป็นแปดเป็นสิบสองรอยยี่สิบเ็ด รวมลงมาสีร่รวมเข้าไปสุดท้ายศีลมีอันเดียวคือใจใจบริสุทธิ์ใจเบิกบานสดชื่นใจปราศจากพยาบาทมาัดร้ายใจเป็นเมตตาเต็มที่นั่นแหละจึงว่าศีลมีอันเดียวที่นี่โทษอย่างอื่นหายหมดถ้าหาวาเมตตาจิต ประชุมลงเป็นเมตตาบริสุทธิ์ภายในจิตใจแล้วนี่ยอยงว่าสีระทนังที่ว่ามีห้ 5, 8, 9, 10, ามีแปดมีสิบตามตามบัญญัติตามตามเหตทุที่พุทธเจ้าสอนไว้ผู้เป็นฆรวาสญาติโยมหรือว่าผู้ เป็นพระในเบื้องต้นเป็นพระอย่างแท้จริงคือเข้าถึงศีลด้วยกายวิชาใจนั้นแท้จริงในเบื้องต้นศีลห้าเนี่เป็นศีลเป็นธรรมะของกิจที่มีคุณธรรมที่เป็นพระอริยเจ้าในเบื้องต้นจะประกอบด้วยเมตตานั่นแหละเข้าไปบรรจุ ภายในใจแล้วจึงไม่ทำโทษทั้งห้าอย่างได้ไม่รักไม่ขโมยไม่ก็ะพืดผิดในกามไม่กล่าวมุสาวาตมีสั จ, จความจริงทางวาจาแล้วก็มีสติสมบูรณ์สติสมบูรณ์ในเบื้องต้นเนี่ยเป็นพระโสดาบัน เลื่อนขึ้นไปพระสะกทาคาละราคะปฏิคาเลื่อนขึ้นไปพะอนาคามละละรูปราคะอรูปราคะเรียกว่าสิ้นราคะทั้งหมดเลื่อนขึ้นไปจนถึงอรหัตผลก็เรียกว่าไม่มี อุทจจะมานะอวิชาคำว่ากิเลสอาสะวะทั้งหลายไม่มีความรุ่มหลงทั้งหลายไม่มีมีแต่ความรู้ตื่นเบิกบานนี่จะเปน็นขั้นขั้นเรียกว่าศีลละเอียดอุตมะศีลศีลของพระอริยเจ้าเป็นศีลไม่ต้องสมทานไม่ต้องรักษานี่ในเบื้องต้นรักษา อยากเป็นพระโสดาบันสมทานรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์นี่เรียกว่าเป็นพระโสดาบันด้วยความสังวรรักษาสมทานอยากเป็นพระสกทาคามีกับรักษาพรหมจรรย์รักษาศีลแปดให้บริสุทธิ์ อย่าเป็นพระนาคามเก็เหมือนกันรักษาศีลแปดให้บริสุทธิ์อย่าเป็นพระอาหารหันต์หรรักษาศิญสองร้อยยี่สิบเจ็ดให้บริสุทธิ์ตามสมมตทิที่นี่เมื่อศีล ส, สมมติเข้าไปสู่จตุทะบริสุทธิ์ที่ศีลสิญสี่ <c oughs> ส 4, อินทรียสังวร อินทรสังวรศีลตาหูจมูกล่นกายใจไม่มีกิริยาแห่งความหลงยินดียินร้ายอาศีวะปริสุทธิศีลยี่งชีวิตของกายของใจด้วยความไม่ลุ่มหลงด้วยความรู้ตื่นเบิกบานแล้วก็ สัมมาสติ <c oughs> มีสติสมบูรณ์นี่ที่ท่านเรียกว่าจตุทะปปาริสุทธิสีนสี่รวมลงไปเป็นจิตเป็นใจอันเดียวนเรีว่าเป็นสีนที่ใจอันนั้นไม่ต้องสมทานไม่ต้องมีเจตนาไม่ต้องได้รักษามันเป็น มันเป็นอยู่ในตัว <c oughs> นี่เรียกว่ากิริยาอาการอันนี้ศีลสมทานแลว้วก็สังวรรักษาภาวนานี่ในในซั์ซับเจ็ดประการซับเจ็ดประการจารคาศัทธาจารค สีละพระหูสั จ, จะความเป็นผู้ได้ยินได้ฟังไข้ควรติดตองเหตุผลเข้าใจเรียกว่าสุตตะฮิริโอตปะปัญญาเนี่เรียกจ็ดประการเครื่องประดับเจ็ดประการนี่ไม่ล่าสมัยไม่ลาสมัยไม่แก้ ไม่ปลอมซับภายนอกมันเจ้มันปลอมเงินห้าเงินสิบเรื่องประดับประดาทองอคำธรรมชาติมีทองเก้ทองปลอมเพชรเก๋เพช ร, พชรปลอ ม, อมแต่เพชรคือศีลทองคำคือศีลซับภ า, ายในเนี่ไม่เจ้ม่ปลอม เพราะฉะนั้นนี่แหละแสวงหาทรัพย์อย่าลืมทรัพย์ภายในเนี่ยเรียกว่าเป็นทรัพย์แท้มันเจริญมันเจริญมันกำหนดรูมันตั้งใจสแสวงหาเรี <c oughs> ยกว่าทานังเทติศีลังเทติภาวนานาังเทติให้ทานไปเรื่อยๆรรักษาศีลไปเรื่อยๆรื่อ ภาวานาไปเรื่อยๆก็มุ่งผลนั่นแหละมุ่งผลคือความเป็นสติสมาธิเป็นปัญญาทีนี้เมื่อมันสมบูรณ์ฟูล ผ, ลผลด้วยผลแล้วอันนั้นไม่ต้องไปปาธนาแต่ในเบื้องต้นให้ปาธนาเหตุให้เจตนานี่แหละ เรียกว่าเกตนาสังวรรักษาในเบื้องต้นก็เรียกว่าสติเป็นผู้มีสติกำกับใจสติเป็นเพี้ยนสองของใจจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนกินดื่มทำพูดคิดมีความตั้งใจมีความระลึกรู้สติเป็นธรรมคุ้มครองใจนี่เป็นธรรมที่มีอุปการะ สติคุ้มครองใจเป็นพี่เลี้ยงของใจอยู่ทุกอิยาบทได้สมาธิคือความมั่นคงความตั้งมั่นของใจที่เป็นกิริยาแห่งความตั้งมั่นท่านก็เรียกสมาธิส่วนใจแท้ๆมันไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญามันเป็นธรรมชาติรู้ เดี๋ยวนี้ธรรมชาติรู้อันนี้มันยังเป็นธรรมชาติไม่บริสุทธิ์หมดจดยังมีอาสวะมีทิฏฐิมานะมีความอยากมีความรู้ความเห็นที่ไม่บริสุทธิ์จึงต้องจเจริญมรรคคือสติมรรคสมาธิมรรคปัญญามรรคนี่ยให้เข้มแข็งให้ แก้กล้าเพื่อจะเาผาผลาญหรือเพื่อจะชำระฟอกฝนสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ที่อาศัยอยู่กับใจที่ธรรมชาติรู้ให้มันหมดอำนาจไปยังจะเหลือแต่ใจที่รู้ที่บริสุทธิ์ได้เพราะนั้จริงตั้งใจมีสติ เป็นเพียนสองของใจยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดไม่ทอธทุระไม่ทอถอยเรียกว่าปฏิบัติไปเรื่อยๆดำเนินไปเรื่อยๆสุดท้ายก็สติก็กลายเป็นสติสัมโพชงสติสในองค์มรรคเป็นสติก้าเป็นสติสมบูรณ์บริบูรณ์ สมาธิความตั้งมั่นของใจก็มีขึ้น้นกปัญญาความรอบรู้รอบรู้ในกายในจิตรอบรู้ในการเคลื่อนไหวไปมารอบรู้ในการนึกการคิดรอบรู้ในความอยากเกิดขึ้นภายในใจเป็นผู้รู้ทั้งหมดนี่แหละ เมื่อสมบูรณ์บริบูรณ์ก็เป็นปัญญาชอบเป็นปัญญาในองค์มรรคเป็นปัญญาสมาธิธิประชุมลงคณะเดียวท่านนั่นะที่นีก็ถือว่าจบสำเร็จในการประพฤติพรห ม, มจรรย์นในการบำเพ็ญในการรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาอันนั้นเป็นผล สุดท้ายเนะี่ยเหมือนผลไม้มันออกผลสุกแล้วเราก็รับทานได้ดิ่มรสของมันได้นี่ก็เหมือนกันรสของธรมรมรสของธรรมชนะรสทั้งปวงการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงเพราะว่ามันจบมันสิ้นมันทำให้สิ้นทุกข์ได้การให้ธรรมะคือการสอนธรรมะการแนะนำ อุบายวิธีประพฤติปฏิบัติเหมือนอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้ให้ธรรมะแก่สภั ส, สตว์ทั้งหลายในเบื้องต้นผู้ใดรู้เข้าใจประพฤติปฏิบัติตามจบพรหมจรรย์ถือว่าสิ้นจากทุกข์ในวัฏฏะสงสารได้นี่ก็เหมือนกันท่านจึงว่า อการให้ทรรมชนะการให้ทั้งปวงรสของธรรมชนะรสทั้งหลายทั้งปวงที่เรายินดียินล่ายชอบใจอยู่กับรสเปรี้ยวรสหวานรสมันรสขมอะไรต่างๆยิ่งว่ารสแห่งการสัมผัสนั่นเป็นรสที่ผูกมัดมกิจวิญญาณเ น, นี่ย ให้มีความติดตึงไว้ไม่หลุดไปไหนได้รว่ารถแทงความสัมผัสสัมผัสทางกายสัมผัสทางจิตที่เป็นอารมณ์เน่จะแก้ความหลงเล่านั้นได้ด้วยสติสมาธิและปัญญาอันชอบสุดท้ายเมื่อมันประชุมความรู้แล้วความเห็น ตัดสินสุดท้ายครั้งเดียวเท่านั้นแหะนันก็จบกันนี่จึงว่าทรัพย์คือเครื่องประดับทานเป็นเครื่องประดับอันหนึ่งศีลเป็นเครื่องประดับอันหนึ่งภาวนาเป็นเครื่องอดับประดับที่จะให้เกิดปัญญาคือความสว่างสวัยความแผวพา ว, พาวแห่งรัศมีแห่งปัญญา <c oughs> เหมือนกันกับ เพชรมีความคมก้าสามารถตัดอะไรได้ขาดไปหมดละความคมของเพชรความคมของเหล็กความคมของหินก็เป็นอีกสภาพหนะึ่งความคมของเพชรถึงวัดตัดกระจกอะไรขาดได้หมดเพราะฉะนั้นความคมของปัญญาเปรียบเหมือน ดากเพ็บตัดกิเลสตัดความรุ่มหลงความยึดความติดความคล้องอยู่ในสัญญารมต่างๆขาดกระจวยกระจายไปได้อย่างละเอียดเพราะฉะนั้นการประพฤติรมปฏิบัติธรรมที่มากม า, กายกายกองก็รวมลงมาให้เป็นผู้มีสติเป็นเพื่อนสองของใจ แล้วสมาธิความมั่นคงความตั้งใจมั่นในศีลสมาธิปัญญาก็จะเป็นเองเกิดเองปัญญาเมื่อค่อยควรเมื่อมนสิการอยู่บ่อยๆก็จะเสียบแลมว่องไวแล้วก็สามารถที่จะแทงทะลุความมืด ที่เป็นอาสวะโมหะให้จบสิ้นไปจากธรรมชาติลูล่คือใจนี่ได้เพราะฉะนั้นความเพียรศรัทธาในเบื้องต้นศรัทธาวิริยะสติสมาธิต้องปลูกฝังให้มากใครควรพินิพิจารณาให้เห็นคุณเห็นประโยชน์แล้วก็ นั่นก็ตั้งมั่นละความเพียรศรัทธาก็มั่นคงให้รู้ประโยชน์ให้เห็นโทษหเห็นภัยของความลุ่มหลงความเพออเลอแต่ความตั้งมั่นในการ ล, ลึกในการไข้ควร<ม>ก็จะกระชับเข้าไปเรื่อยเรื่อ ย, เ, อ ย, เ, อย เ, อเห็นคุณเห็นประโยชน์ของความรู้ความ เข้าใจในธรรมะในเหตุผลอ ม, มันก็จะดูดดื่มนะในเรื่องปัญญาปัญญาของธรรมะนี <c oughs> แ่แหละมีความเพียรมีความใส่ใจ <c oughs> ในทานในศีลในเจริญเมตตาภาวนาไม่ท้อถอย คนที่สุดความเพียรคือความสำเร็จผู้มีความเพียรย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จในบุญกุศลได้นะตั <c oughs> <c oughs> ้งใจละพร